จังหวัดโรงพยาบาลอุรานธานีและพระ้อมการหลวงพ่อก็ได้บอกกับคณะสัตยาญาติโยมบอกว่ า, าพวกเราคณะสัตยาญาติโยมในชนบทถ้าหากว่าได้เข้าโรงพยาบาลถ้าเห็นเสื้อกัดสีสมพูก็ให้ไปจับแขนถามเลยว่าดิฉันม า, มาที่นี่มีความจําเป็นอย่างงดอย่างนี้จะให้ทํำยังไงจะให้ติดต่อกับใคร อย่างเี้นะ่ะเน้นนะพยาบาลแล้วบาคนที่ใส่เสื้อกั๊กนะจะให้คําตอบเราหนะลวงพ่อก็ได้บอกนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลวงพ่อถ้าหาว่าพวกอญาติโกติดโหติกาของหลวงพ่อนะออมาจากชนทนบดพอมาจาับมาถามทางพวกเรานะพวกเราไม่ให้คําตอบนะเดี๋ยวก็จะไปว่าให้หลวงพ่อเหมือนกันโอ้หลวงพ่ออเ อ, อ หนูนฉันไปถามแล้วแพยาบยาลไม่ได้ให้คำตอบฉันเลยกว่านะเดอพอัน hmm. ขอให้พวกเรา mm hmm. ทุกๆท่านนะหลวงพ่อบอกวัฒนะ้วนปากกาแล้วทางทางอาเภอนาโสมนายูงบ้านผือแถบๆนะะั่นล่ะหลวงพ่อไปนะัดสถ า, านที่ใดหลวงพ่อถ้าพูดเกี่ยวกับโรงพยาบาลแนะล้วหลวงพ่อก็จะได้หลวงพ่อก็ได้พูดให้กับพี่น้องชาวบ้านลูกหลานตลอดถึง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 หลวงพ่อแล้วก็สรุปแล้วก็คือพระพระป่าอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะท่านขออายอายที่จะเข้ามาประสานเข้ามาติดต่อเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาิโยมแพทย์พยาบาลหรือว่าทุกท่านที่ทอยู่ในโรงพยาบาลถ้าเห็นพระเข้ามาแล้วก็ใ ห, ให้ขอให้ถามไถท่ท่านมาอะไร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 พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นําคนป่วยเข้ามานั่นอ่ะโอ้ใจไม่ดีเลยเอใจไม่ดีตุบ ต, ต, ตุบตอมตอตุบตุบตอมตอมไม่รู้จะพูดหาใครจะไม่รู้จะวิ่งไปหาใครเพราะว่ า, าพี่น้องเหล่าคนที่นํามานั่นอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยทําทให้พ่อแม่พี่น้องที่นํามาไม่สบายใจแต่ว่าแพทย์พยาบาลมองมองดูแล้ว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 ถ้าหากว่ามันหนักหนาอยากจะให้เป็นลัดคิวเป็นบางคนถ้ามีความจำเป็นนี่หลวงพ่ออยากจะให้คณะแพทย์และคณะพยาบาลแต่อนนี้หลวงพ่อเป็นพระปานะอาจจะล้ำเส้นไปสักหน่อยก็ได้แต่ในความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีเจตนาดีเกินร้อยนะอยากจะให้พวกเราคณะทำงานทั้งหลายมีน้ำใจมีเมตตาให้รู้จักการสถานที่บุคคล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 จะพยายามทําให้แข็งแรงไม่ให้มีปัญหาในการซ่อมแซ ม, มง่ายๆหลวงพ่อจะเน้นหนักให้มั่นคงแข็งแรงแต่ไม่ให้รู่นหลาไม่ให้รู่นหลาโอ้อ่าแต่ว่าให้ใช้ง่าย น, นี่คือความในความคิดของหลวงพ่อนะแต่คิดว่าอีกไม่นานคงจะเสร็จแล้ละถ้พอเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะมอบให้กับทางโรงพยาบาลดําเนินการ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 ไปเห็นเหรียญลงตาแต่ไม่ใช่เหรียญลงตานะแต่เหรียญ น, นี้เป็นเหรียญพระ อ, อ, อันนี้เหรียญ น, นี้นะเป็นเหรียญที่หลวงตายัางยงังทรงธาตุขันอยู่นะยังหลว ง, งตายางังทรงธาตุขันอยู่เหรียญ น, นีนะ่แต่เท่าแก่สมหมายไปการาบลาธนาท่านท่านจะจะทำเหรียญนี้เพื่อบรรจุเจดีย์ของเท่าแก่สมหมายนะ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 แจกเสื้อด้วยแจกเหรียญด้วยนะวันนี้นะเพื่อเป็นศรีเพื่อเป็นมงคล น, นะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรกก่อนนะเพื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อจะแจกเหเเรียญเลยวันี้เหรียญก้าหารนะเหรียญ น, นี้นะเหรียญก้าหารด้วยเหรียญสุดเจริต ด, ด้วยนะเหรียญที่เป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะเหรียญของหลวงตาโคตหลวงตา เ, าเท่าแกส่สมนไมบอกว่าท่านท่านไม่เคยที่จะไป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 ทำแจกแจกไปก็ได้นะเราอนุญาตลักษณะอย่างนี้แหละเท่าแก่สมหมายก็เลยทำพอทำเสร็จแล้วก็มาถวายหลวงพ่อทุยนะหลวงพ่อทุยหลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่ทยนนนะไม่ใช่ของหลวงพ่อทำเองนะไม่ใช่หลวงพ่อทาเองแต่ดูดูโอ้ทำทำได้สวยนะอ่านอ่านดูก็ได้มีตัวหนังสือภาษาไทยอยู่ข้างหลังแต่มีรูปเจดีย์ของหลวงตาแล้วก็มีรูปพระพุทธรูปนะ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 ท้งหมอทางพยาบาลนะ่ะลูกหลานนะ่ะเป็นคนดีนะคิดดีทำดีพูดดีอันไหนดีนะเอออย่าไปทะเลาะบอกแว้งกันเออยังไปทะเลาะกันทะเลาะกันมันไม่ดีดอกเออพวกเราจะอยู่นานอยู่นานกันเท่าไหร่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเมื่ออายุ60ปีนะ่ะเออเพราะนั้นขณะที่ทำงา น, น, น, นให้มีน้ำใจต่อกันมีความเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อกันต้องทำงานล้ากันเหลื่อมกัน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 เป็นสิริเป็นมงคลฎนาฏนีหน้า